โอกาสนี้เป็นวาระที่อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมแสดงธรรมอันเป็นธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงกรรมนัหนหลด ทำสติรู้ที่จิตของเราเองแต่ละท่านละท่านให้กาหนดรู้ที่จิตของตนเองแล้วเมื่อเรากาหนดรู้ที่จิตของเราเองเราจะรู้ได้ ท, ทันทีว่าที่เราตั้งใจจะกาหนดรู้จิต ของเราเองได้ความตั้งใจเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกายเป็นเครื่องช่วยดังนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็สามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจนึกถึงโน่นถึงนี่โดยเจตนา ธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะอันเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งละเลิกของสติของพระพุทธเจ้าหมายถึงธรรมะที่มีอยู่โดยธรรมชาติ เร่งเราเรียกกันว่าสภาวธรรม <c oughs> สภาวธรรมเรากำหนดหมายเอาอะไรกายกับใจเป็นสภาวธรรมสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมก็เป็นสภาวธรมรมรวมทั้งวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งสายโลกสายธรมรมรวมเรียกว่าสภาวธรรมทางนั้น สภาวะทันทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเพราะว่ากายขับใจของคนที่เกิดก่อนนั้นมีก่อนพระพุทธเจ้าวิชาความรู้ละสิ่งต่างสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิด ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแล้วท่านก็มารู้ความจริงของสภาวะธรรมคือธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศท้า่ายว่าเราได้สร้างสิ่งโน่นสิ่งนี้ขึ้นมาในโลก ท่านเป็นคนสร้างโลกพราพุเจ้าไม่เคยกล่าวท่านเป็นคนสร้างมนุษย์เราพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวท่านเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราพุเตเจ้าไม่เคยกล่าวไม่เคยจริงจริงไม่เหมือนศาสนาอื่น ศาสนาอื่นเขาจะกล่าวหรือไม่กล่าวเราไม่สนใจเพราะเวลานี้เราเป็นชาวพุทธสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาดังนั้นเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในโลกนี้แต่หากท่านเป็นผู้สามารถ <c oughs> สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกและพระองค์เคยประกาศกล่าวท่าทายว่าเราสามารถรู้ธรรมรู้ธรรมะของจริงซึ่งเรียกว่าสัจธรรมคืออริยสัจสี่ทุกสมุทยมัยในโลดมัก นี่อันนี้พระบุตเจ้าท่านประกาศจริงๆว่าท่านรู้แต่ท่านก็รู้ธรรมะที่มันมีอยู่แล้วทุกจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนพระองค์เกิดเมตไถาเกิดทุกข์เกิดความก็เยืทยานก็มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ถ้าว่าจะยังมีไม่สมบูรณ์ก็คือการดับทุกข์หรือฟางรู้จริงตามกฎธรรมชาติว่าอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์ดับอันนี้คนอื่นรู้จังไม่ชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์รู้แจ้งชัดเจน <c oughs> หายสงสัย ไม่ได้สักแต่ว่าโลโลแล้วก็คุยกันได้โูแล้วสามารถที่จะหนีทกุกข์ามจิตทำใจของพระองค์ให้หนีทุกข์หนีร้อ น, พ, นพ้นทุกข์พ้นร้อนเที่เงคืเย็นว่าตายสุข พ, พ้นทุกข์รมานโดยวิสาสงสารนี้เพราะพระองค์สามารถสร้าง คนลรรมที่ทํำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาในจิตในใจหรือในพระไถยของพระองค์ท่าน <c oughs> อันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงทราบและทรงรู้นอกจากจะโลจริงว่านี่ทุกจริงจริงนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วยังสามารถโลทางปฏิบัติเพื่อความดั บ, บทุกข์ <c oughs> เราพาพวกเจ้านักถิพระพุทธศาสนาเราปฏจเญียนตนถึงเจาพระเจ้าว่าเป็นสาระที่พึงที่ระลึกหมายความว่าเราจะรับเอาพระองค์เป็นพระบรมศาสดาคือเป็นครูสั่งตอน เวลานี้สมมติว่าพวกท่านทั้งหลายกำลังเดินเข้ามาสู่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งสมมติว่าไปเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมื่อเ้าเข้าไปสู่สถาบันนั้นท่านจะต้องดูให้รู้จักระเบียบของสถาบันนั้ น, น, นเริ่มตน้นตั้งแต่เสียค่าธรรมเนียมเข้าเรียน ระเบียบการปฏิบัติภายในสในในโรงเรียนเมื่อท่านก็ไปสู่สถาบันนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันซึ่งสุดแท้แต่สถาบันเขาจะต่างขึ้นในคานองเดียวกันเมื่อเรามาสู่สถาบันแห่งพระพุทธศ า, ศาสนา <c oughs> เลยได้ปติญญาณตนนับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูผู้ที่จะอบรมสั่งสอนเราเมื่อเรากล่าวคำปติญญาณถึงท่านว่าพุทธังสารนังคัตฉานิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึก ถ้าหาพราะองค์ประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเราเพราะองค์คงจะรับสั่งถามว่าเธอจะเอาจริงไหมถ้าเราตอบว่าจะเอาจริงอาาเอาจริงฉันจะให้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเคียงห้าข้อข้อปฏิบัติห้าข้อนั่นคืออะไรก็เจ้าค่ะ ข้อปฏิบัติถ้าข้อนั้นคือิีนห้าข้อนั้นเองถ้าเราตอบท่านว่าไม่สามารถที่จะรับปฏิบัติได้พระองค์ก็คงจะบอกว่าเมื่อรับปฏิบัติไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆพระอะไรพระข้อปฏิบัติทันเป็นจุดเริ่มต้น สองบุคคลผู้เข้ามาสู่สาาบันของเราตาพากดจะต้องปฏิบัติตามกฎ5้าข้อนี้เพราะฉะนั้นตามขนบธรรมเนียมเราจะทำบุญกุศลอะไรให้ทานหรือจะฟังธรรมฟังพระสวดมนต์เราก็ต้องปัิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้า แล้วก็รับเอาศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะมันเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาิกษุสามเลนในพระพุทธศาสนาเพราะว่าศีลห้าประการ น, นี้มันเป็นจุดกำหนดแทนการทำความดี สัพพตาปัจจะอาการหนังการไม่ทําบาปทั้งตัวการไม่ทําบาปทั้งตัวก็คือหมายถึงว่าการไม่ประพฤติผิดศีลห้าถ้าใครจะไม่ทําบาปทั้งตัวต้องยึดเอาห้าข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติทำใหม่ละศีนห้าประการนี้เป็นบัญญัติ ที่อาศัยหลักความจริงโดยธรรมชาติฆ่าสัตว์เป็นบาปไม่มีใครไม่มีใครไปแต่งตั้งหรือสร้างตัวบาปขึ้นมากัดคนผู้ฆ่าสัตว์แต่หากมันเป็นกฎความจริงของธรรมชาติมาแต่ร่างเดิมอธินาทานการลักขโมยกาเมชมิชขาจา์มุสาวาโซรา ข้อทั้งหลายเหล่านี้ใครละเมิดล่วงเกินและปฏิบัติผิดลงไปบาปกันทุกคนไม่เลิกหนาเพราะมันเป็นบาปโดยกฎของธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครทำลงไปแล้วจะไดกลัวท่านทำเล่นๆถ้าไม่ต้องการผลก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเจตนาที่จะทำบาปตามสิลนห้าข้อนั้นถ้าหากเนเจตนาสมบูรณ ในเมื่อทำสำเร็จลงไปด้วยเจตนาคือความตั้งใจผลบาปจะบังเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติจิตจะบันทึกเอาไว้เจตใต้สำนึกจะบันทึกเอาผลงานคือการกระทำนั้นไว้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเพราะศีลห้านี้เป็นกฎเกตที่เราจะพึงปฏิบัติเพื่อละเว้นบาปกรรมโดยเจตนาตามกฎของธรรมชาติ อันนี้พูดถึงว่าเจตนาที่จะละความทั่วหรือการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าใครสงสัยก็ให้พิจารณาดูศีลห้าข้อนี้เท่านั้นญาติโยมผู้ที่ยังไม่ได้สมาทานศีนแปดรับทานข้าวเย็นก็ไม่บาปข้อนำขับร้องประคมดนตรี ดูการเล่นเป็นเสี้ยนหนับก็ไม่บาปกระดับตกแต่งด้วยเครื่องหอมเครื่องของหอมเครื่องยอ้อมส่วนผ้าก็ไม่บาปไม่เห็นมีขังทีใดที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบาปแต่ถ้าหาว่าใครได้ตั้งใจสมทานว่าจะปฏิบัติในข้อดังที่กล่าวมาแล้วนั้นปฏิบัติไม่ได้เป็นการโกหกตัวเองเป็นการเสียสัจธร ถ้าผู้ทรงเทศเป็นการหลอ ก, กลวงชาวโลกมันเึงนกายเป็นบาปเพราะการหลอกลวง <c oughs> แต่โดยธรรมชาติถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปรับเอาศีล น, น, นั้นมาปฏิบัติเราอยู่เป็นฆราวาดปฏิบัติศีลถ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วทำอย่างอื่นบาปกรรมมันไม่มีรับทานเข้าเกณนก็ไม่บาป หรือละเมิดล่วงเกินตั้งแต่ข้อวิกระโพไปจนถึงข้อคากรูก็ไม่บัดสำหรับกาุหัดโดยทั่วไปดังนั้นถ้าท่านผู้ใดคล่องใจสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทั้งปวงนั้นเราจะละกันที่ตรงไหนเพิ่งทำความเข้าใจว่าการละบาปโดยเจตนาหรือตามตั้งใจคือศีลห้าข้อ ถ้าเราทำความเข้าใจให้ชัดเจนแบบนี้เราก็จะไม่ต้องไปไฝ ฟ, ฟ้าว่าเราจะไปละอะไรที่ไหนเื <c oughs> ่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีลห้าปฏิบัติได้เป็นอุบายบันทอนผลเพิ่มตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมวันนิย่าจอมเลยทุกคนเป็นผู้มีศีลห้า ตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปหรือจนกระทั่งสองรอยยี่สิบเจ็ดของพระพิสุสงฆ์สามเดชนับกรรมเดิมแต่เราตั้งเจตนางดเป็นโดยเด็ดขาดแล้วเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปก ร, รมบาปกรรมที่มีอยู่แต่มีอยู่เมื่อก่อนนี้จำนวนเท่าไหร่ก็ยังอยู่เพียงแค่นั้นเพราะเราไม่ได้ทำเพิ่ม สัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าอาชินาก็ไม่ได้รักขโมยตาเมสมิท้าจานก็ไม่ได้ข่มเหงน้ำใจมู้สาวาทก็ไม่ได้โกหกเลอกลวงสุราก็ไม่ได้มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนมันก็หมดปัญหา <c oughs> ผลบาทไม่ทพิ ถ้าหาเราตั้งมีเจตนาตั้งใจจะปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนชั่วชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบาปมันไม่ได้เพิม่มมีแต่ความดีมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเมื่อไม่ทำบาป <c oughs> มันก็มีแต่ความดีที่จะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกปีท่านภูดาต้องกา ร, กระจะตัด จะตัดกรรมตัดเวร <c oughs> กรรมเวรที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นเราจะไปทำพิธีตัดด้วยการลดน้ำมนต์พระหรือไปไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะไปทำพิธีกรรมอันใดเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราทำไว้แล้วนั้นไม่มีทางถ้าหากว่าตัดเวรนั่นพอจะมีทางบ้าง เช่นสมมติว่าเราค้องใจสงสัยว่าเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือจะมีใครจองกรรมจองเวรเราคอยพยายามที่จะแก้แค้นเราดูเรานึกได้ทาบุญกุศลเทส่วนกุศลให้เขาบางทีเขาได้รับสมบุญส่วนกุศลจากเราแล้วเขาได้ดีถึงสุขเขาอาจจะเอาโหสิกรรมให้เราบ้งางก็พอที่จะตัดได้แต่เขาไม่ยอมรับ อโหสิกรรมก็จนใจเหมือนกันแต่ว่ากรรมที่เราทำลงไปด้วยกายด้วยวาจาซึ่งมีจิตใจเป็นผู้ตั้งใจหรือบังคับบงการโดยเจตนาทำลงไปแล้วใครตัดไม่ได้ จ, จะตัดได้ก็ต่อเมื่อบำเพ็นอรหัตธรรมให้บังเกิดขึ้นสำเร็จอรหรัน ทิ้งร่างกายสังขารนี้ไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละจึงจะตัดกรรมได้เด็ดขาดแต่ว่าวิธีการตัดกรรมที่เรามองเห็นได้ชัดๆ <c oughs> ทั้งตัดกรรมด้วยทั้งตัดเวลด้วยก็เธอ ย, ยุติหยุดการทาบาปทากรรมตั้งจับัดนี้เป็นต้นไป <c oughs> ในเมื่อเราหยุดโดยเด็ดขาดแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการตัดกรรมตัดเวรสงสัยไหมทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีลห้ามาทําความเข้าใจผลประโยชน์ของการรักษาศีลห้าในปัจจุบันนี้ให้มันชัดทัดสักหน่อย เราจะไม่ต้องเกิดความท้อแท้ในการที่จะรักษาศีลห้า <c oughs> พระพุทธเจ้เาพระองค์มีความปรารถนาที่จะป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันคนไม่มีศีลห้าเป็นเหตุให้ฆ่ากันเราฆ่าเขาเขาต้องพยายามฆ่าเรา เราลักคลองเขาก็โมยคองเขาเขาก็พยายามโต้ตอบเราเราค่มเห็นน้ําใจเขากาเมโซมิช้าจาย์เขาพยาบาทเกียดแช่นเขาก็ข่าวเราไปโกหกหลอกกลวงเขาให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเขาโกรธเขาก็ฆ่าเอาสุราเมาลงไปแล้วคมสติไม่อยู่ ประเดี้ยผ่านพาโลทะเลาะกันเดี๋ยวก็ได้ข่ากันในเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือผลประโยชน์ที่เราจะมองเห็นได้ในปัจจุบันเมื่อเรามีศีลห้าเราไม่ฆ่าข่มเหงเบียเดเบียนซึ่งกันและกันมันก็มีแต่ความรักพระพระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความรักกันเลยอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ยึดเอาทำห้าข้อนี้เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมอย่าโจถพาตอนมารักษาศีลฟังธรรมอะไรพาไปความอยากใช่ไหมอยากได้คุณธรรมจะได้ดีได้ดีอยากได้สวรรค์จากได้นิพพานอยากได้บุตร ความอยากตัวนี้คือความโลภมันคอยกระตุ้นเตือนใจของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็ดกิเลสตัวเป็นเข้ามลในจิตในใจของเรานี่คือโลกโกรธหลงเชื่อว่าทุกคนได้ฟังเทศพระที่ท่านแนะนําให้เราละโลบโกรธหลงกันมา <c oughs> และเราเชื่อมันว่าเราพยายามที่จะละโลกโปรดหลงให้ได้แต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีทาง ม, มันคล้ายๆก็ว่ามันเป็นภาระจำยอมที่จะต้องอยู่ด้วยกันจนชั่วชีพถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำของพระโอมันก็ดีพิเศษนักหนา อาตมาเองก็อยากละเป็นประดาแต่บางครั้งมันก็ยังพุ่งขึ้นมาอยู่เหมือนกันก็แสดงว่ามันยังละไม่ได้ <c oughs> ทีนี้เรามาปรึกษาหาหรือกันลองดูว่า <c oughs> ในเมื่อกิเลสโลก <c oughs> โลกรหลงมันมีอยู่ในใจ <c oughs> เราละไม่ได้เราจะทำอย่างไรต่อไป อาอาตมาก็โลภ ก, ก็โกรธก็หลงญาติโจมก็โลภ ก, ก็โกรธก็หลงพาคโลภโกรธหลงเวียนไล่ตายเกิดจนได้บัตรสงสารอันนี้แหละนับไม่พ้นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกันมาแล้วเดียวมาปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะละกิเลสโลภโกรธหลงกันแต่เสร็จแล้วมันก็ยังละไม่ได้อา้าวถ้าเราละไม่ได้ เราจะหาประโยชน์จากมันพอมีทางไหมเอาอย่างนี้ดีไหมนะช่างมันเถอะมันมีอยู่ในเกดในใจของเราเอาไว้นั่นแต่ว่าเราพยายามหาทางที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมหลอกหอนหลงมีอยู่เอาไว้ให้มันตะต้น เตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความทะเยอทยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคนเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะสแสวงหาลาบยศ ส, สรนสญสุขและอำนาจด้วยกันทั้งนั้นความอยากความต้องการเหล่านั้นมันก็อาศัยความโลภเป็นสิ่ที่กระ ต, ตุ้นเตือนให้เราเกิดมีความอยากเป็นเช่นนั้น ถ้าหากว่าเราใช่ความอยาหรือความโลกโดยไม่ผิดศีลธรรมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในที่สุดตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะการใช่ความโลภนั้นเพราะเราใช้อย่างมีขอบเขตขอบเขตที่จะตึิงใช้มันเกิดประโยชน์เกิความเป็นธรรมก็คือศีลห้าอีกได้แหละ เราจะนั้นเป็นอันได้ใจความว่ากิเลสมีปล่อยให้มันมีไปในขณะที่อยเรายัางละไม่ได้แต่เราต้องพยายามดูดูให้มันรู้ว่าเรามีกิเลสตัวนี้จริงหรือเปล่าหลบโกรธหลงยังมีอยู่ในใจิตในใจของเราหรือเปล่าในเมื่อรู้ว่ามีก็ลองละละละ ล, ะลองทาทีจะขับไล่มันลองไปดู ถ้าเห็นว่ามันไล่ไม่ได้ขับออกไปไม่ได้ <c oughs> ละไม่ได้ก็ต้องพยายามหาทางใช้มันให้ถูกท่ากฎเกณฑ์ที่เราจะใช้กิเลสเหล่านี้ไม่ให้เกิดโทษก็คือศีลห้านั่นเองเนี่ยพูดไปพูดมาก็ไม่หนีศีลห้าอีกแตะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะมาคิดว่าพระองค์นี้เอาแต่เรื่องศีลห้ามาเทศ ศีลห้านี่มันเริ่มภูมต่ำๆประเดี๋ยวจะเข้าใจกันอย่างนั้นที่พูดแท่นี้ก็เพราะบางทีญาติโยมอาจจะพยายามที่จะละความโลกความโกรธความหลงอย่างเต็มประดาแต่เสร็จแล้วทำไมมันยังละไม่ได้บางทีบางท่านเพื่อนฝูงชวนเข้าวัดเข้าวะ ก็บอกว่าฉันยังเข้าไม่ได้เพราะยังรอบยังโกรธยังหลงคนที่ยังรอบยังโกรธยังหลงอยู่นั่นแหละยิ่งเข้าวัดดีทั้งหมรรดรลบโกรธหลงแล้วเข้าไปเสียเวลาทาไหมเพราะเรายังไม่หมดรอบโกรธหลงเราจึงพยายามที่จะเข้าวัดเข้าวัดเพื่อหาหลักธรรมมาเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการบัณฑทอนกําลังของกิเลสโลบโลกรธหลงให้น้อยลงดัง <c oughs> นั้นผู้ที่ยังมีโลบมีโกรธมีหลงอยู่แต่พยายามใช่โลบโลกรธหลงให้เกิดประโยชน์โดยไม่ให้ติดศีห้าข้อใดข้อหนึ่งผู้ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบัณฑทอนกาลังของกิเลสให้น้อยลง เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีลห้านี่นอกจากจะเป็นอบายตัดทอนผมเพิ่มของบาปกรรมยังเป็นอบายบั่นทอนกำลังของกิเลสและเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เปิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมและอกอย่างหนึ่ง ศีนห้านี่จะเป็นคุน่า ร, รมปรับเพื่อนฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เคยคิดเคยพิจารณาดูจิต ใ, ใจตัวเองบ้างไหมอาตมาเคยดูตัวเองเคยพิจารณาดูตัวเองในบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางครั้งก็เห็นว่าตัวเองเป็นเปรตบางครั้งก็เห็นว่าตัวเองเป็นเทวดาบางครั้งก็เห็นตัวเองว่าเป็นมนุษย์อันนี้เพราะอาศัยหลักมาพิจารณาดูว่าขณะใดที่จิตใจของเราเกิดความโหด เ, เนหนี้มก็อำนาจแห่งความโกรธความโลภ ค, ความหลง แล้วก็ที่อยากจะทาอะไรลงไปโดยไม่ได้ทำหนึ่งถึงศีลและธรรมเละกฎหมายปกครองบ้านเมืองอยากจะทำอะไรก็ น, นึกทาลงไปถึงแม้ไม่ทำใ่ใจมันก็ยังนึกอยากจะทำศีงที่นึกอยากจะทำนั้นมันไม่มีศีลมีธรรมในขณะนั้นในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าอ๋อเราเนี่ย จิตใจของเราบางครั้งมันยังเป็นสัตว์เจรฉกขันอยู่นี่อันนี้เป็นการพิจารณาตัวเองเรื่องของกตมาเองนะไม่ได้แกล้งว่าโยในบางครั้งจิตใจมันรู้สึกว่ามีหิริความละอายบาปมีโอตปะความจะดุ้งกลัวต่อบาปแม้แต่ความคิดจะทําบาปในที่ลับในที่แจ้งมันก็ไม่คิด มันมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในใจในขณะนั้นก็รู้สึกว่าเอออิเลโอตระมันเป็นคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดาก็รู้สึกว่าอ๋อเวลานี้เราเป็นเทวดาบานเทีมันเกิดขี้เกียจที่คลานขึ้นมาไหวพระโสดมน์มันก็ไม่อยากทํานั่งสมาธิมันก็ไม่อยากทํามันไม่เอาไหนประโยชน์ตนไม่คํานึงประโยชน์ท่านไม่เลีออ้ยวแลย พออะไรตายอยากในชีวิตในช่วงนั้นก็รู้สึกตัวว่าอ้อตอนนี้เรากำลังเป็นเปรตเพราะเปรตแปล ว, ว่าผู้ละไปแล้วบางทีจิตใจมันก็รู้สึกว่าเออมีความเมตตามีความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักความสงสารในเที่นมนุษย์และสัตว์ดนละชานด้วยกันไม่คิดที่จะทำอะไร ในขณะนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์อันนี้คือพื้นฐานที่เป็นหลักให้เราพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราจะได้โล่ข้อบกพร่องของตัวเองเราจะได้โล่ข้อบกพร่องของตัวเองเราจะได้เพิ่มเติมขึ้นให้อยู่ในระดับพอดีพอดี ส่วนไหนขาดอันทวนไหนขาดก็จะได้เพิ่มเพิ่ส่วนไหนเกินก็จะได้ตัดทอนลงให้พอดีให้รู้ว่าจิตใจของเรานี่มันมีอะไรเป็นอะไรอยู่เราจะได้รู้จักจุดสําหรับแก้จิตใจของเราถ้าเรามองไม่เห็นตัวทของเราเองเห็นใจทั้งเราเองเราก็ไม่มีทางแก้ในเอกจางหนึ่งประการสุดท้าย เซนห้าประการนี้เป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะการไม่ฆ่าหลักประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิมนุษยชนการไม่ฆ่าก็เคารพ ท, ที่เรยความเป็นอยู่การไม่ลักขโมยที่ล้นท่อโกงก็เคารพสิทธิความมีพรมบัติอของคนอื่น การไม่ประพฤติผิดกาเมสุมิชาจาร์การไม่โกหกหลอกลวงการไม่มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนก็เป็นการเคารพศีลเทสของคนอื่นในตัวเองด้วยดังนั้นศีลห้าประการนี้ไม่เฉพาะในชาวพุทธเท่านั้นจะมีความเข้าใจถึงประโยชน์ ชาวต่างประเทศเขาก็เข้าใจดีเช่นอย่างองค์การสหประชาชาติประกาศออกมาเป็นหลักปฏิบัติว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนพิจารณาโดยแล้วก็คือสีห้าเราดีๆนี่เอง <c oughs> เอา้าวแบบนี้โคตถึงเื่องสีห้าเนี่ยเห็นจะพอสมควรแก่กาลเวลา ที่นี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะมายึดเอาแต่ศีลห้านี่แหละเป็นหลักปฏิบัติอย่าโยมบางคนโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเราตนผู้หญิงไม่มีโอกาสจะได้บวชเป็นพระเป็นเนนไม่มีโอกาสจะได้ห่มผ้ากาสาวพัตดกลัวว่าปฏิบัติแล้วไม่ถึงมรรคนิพพานอย่าไปเข้าใจผิดได้กล่าวแล้วว่าศีลห้าเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณนามความดี เมื่อเรารักษาสีนห้าปริสดปริปูนดีสินเงินเดือนมันจะเพิ่มขึ้นมาเองอย่าว่าแต่สีนสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันจะเพิ่มขึ้นมาตั้งเป็นหมื่นหมื่นสีนล้านล้านสินเพราะทุกสิทุกอย่างมันเป็นปกติดีแล้วกายก็สงบวาจาก็สงบเพราะกราศ จ, จากโทษนั้ น, น, น เมื่อเราปราศจากโทษนั้นๆก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจมีความสงบด้วยใจสงบเพราะเกิดจากศีล น, นี่การจะเกิดจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่มันคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ก่อการทํเข็นให้ใครเดือดร้อนความวาดแสแวงว่าจะมีคนใดมาประทุษรา้ายเราย่อมไม่มี จะหลับก็สบายจะตื่นก็สบายจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีมือตื่นคอยกุ้มกันเพราะเรามีสีมั น, นบริสุทธิ์บริลูุณมดีแล้วแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดมีใจสงบในปัจจัยสงบดีไม่หวาจระแวงตอบเพศภัยต่างๆมันก็เป็นจุดเริ่มของการของสมาธิ ศีลอบลมสมาธิบัดนี้ท่านทั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามขั้นตามภูมิของตนแล้วเรามาคุยกันเรื่องสมาธิลองดูบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างแต่เข้าใจว่า <c oughs> เรื่องของสมาธินี่ เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังไดฝึกปฏิบัติมาจนคล่องตัวจนทำนิชำนานบางท่านอาจจะมีจิตสงบโลธรรมเห็นธรรมหรือขจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของตนเองได้เป็นามากาเป็นกอบเป็นกองแล้ว <c oughs> หลักและวิธีการทาสมาธินั้น เข้าใจว่าท่านได้ฟังแล้วก็ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์มาแล้วแต่ขอสรุปสั้นๆว่าวิธีการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอันนี้เป็นหลักกลางๆเมื่อเราทำอะไรนึกถึงอะไรให้มีสติสัมปชัญญะ หลักบริกรรมภาณาหรือหลักพิจารณาอะไรต่างๆซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันว่าการปฏิบัติสมาธิคือปฏิบัติสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานเราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วทีนี้บางท่านฝึก ส, สมาธิหรือสอนสมาธิก็ไปติดวิธีการมากเกินไป คำว่าสมถะเป็นชื้นของวิธีการวิปัสนาเป็นชื้นของวิธีการแต่การทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเมื่อเราบริกรรมภาวนาพโพธกก็ดียบหนอพองหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิต ถ้าเรามีสติสำทับเข้าไปสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งของสติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบสมถะก็ทําจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเป็นชื่อของวิธีการบริกรรมภาวนาปฏิบัติด้วยวิธีของสมถะเพ่งกสินปฏิบัติด้วยวิธีของสมถะ หรือการเจริญอารมณ์กรมมรมสัมมถากิรมฐานสี่สิบประการท่า น, นปฏิบัติตามวิธีการของสมถะแต่ถ้าเรากำหนดจิตพิจารณานโน่นนี่พิจารณารูปตามลูกตามรูปนำอย่างที่พระคุณเจ้าที่ทันเทศไปก่อนนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้ เป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีตีติมีวิตกวิจารณ์ตีติสุขเอกัตขตาเพื่อจะให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะไปจิตวิธีการแม้ว่าท่านผู้ใดอาจจะคิดว่า เราไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิบริกรรมภาวนาพโพธิสัมมาระหังยกเนาพองเนาลองปฏิบัติอย่างนี้ดูเดินเดอนนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเทศเป็นอารมณ์จิตเมื่อเราเดินมีสติรู้เดินมีสติรู้นั่งมีสติรู้นอนมีสติรู้ รับทานเดิมทำพูดคิดมีสติรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์จิตทําไมจึงว่าเป็นอารมณ์จิตเรายืนได้เพราะจิตสั่งนั่งได้เพราะจิตสั่งนอนได้เพราะจิตสั่งเดินได้เพราะจิตสั่งรับทานเดิมทำพูดคิดได้เพราะจิตสั่งเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสติสัมปชัญญะของเราให้รู้อยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนรับทานเดิมทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจําวัน เป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นปัจจุบันนธรรมจิตโล่สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู่ของจิตเมื่อมีสติสำทับเข้าไปสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสตินิเกตเอากัรอย่างนี้มันจึงจะไม่สัตสนแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดมีเวลาพอที่จะไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวาาดังที่กล่าวแล้วนั้นก็ทำ ถ้าหากว่าไม่มีเวลาทำก็พยายามฝึกสติฝึกสติอย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านจะสงสัยค้องใจว่าถ้าจะไม่นั่งสมาธิเตียงจะฝึกสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเท่านั้นจิตจะสงบเป็นสมาธิได้ไหมขอตอบยืนยันว่าได้ ขอให้ทําจริงท่านอาจารย์เสาซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของพระผุ้ทรงกรรมฐานในสายตะวันออกเชียงเหนือท่านบอกว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดขอถามว่าจิตเสื่อมหรือเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เอา้าถ้ามันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้า เพราะฉะนั้นอย่าลืมนึกถึงหลักที่ว่าสีลปริภาวิโตสมาธิมหัปโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตังสัมมาเทวะอาสวีวหิวิมุตติเศนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิต เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์สะอาดตีแล้วสมาธิก็คือการฝึกสติผู้ที่เคยทำสมาธิภาวนาจิตสงบจนกระทั่งตัวหายจนรู้สึกว่ามีแต่จิตดวงเดียวใสสว่างอยู่ในเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิหรือทำหนักจาักเข้าจิตมันจะไม่เข้าไปสู่ความสงบเช่นนั้น เมื่อสมาธิมีพลังแก่กล้าดีแล้วทําให้สติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วมันจะออกมากําหนดอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนสติจะมาทําหน้าที่เวลาทํางานสติอยู่กับการเวลาเดินสติอยู่กับเดินนั่งสติอยู่กับนั่งรับทานดื่มทําพูดคิดสติอยู่กับสิ่งนั้นๆตลอดเวลา พอเสร็จแล้วเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความรู้สึกสํานึกผิดชอบทั่วดีบุคคลผู้ที่จะมีผุ้คลผู้ที่มีความรู้สึกสํานึกผิดชอบทั่วดีเขาจะต้องมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าฉันจะละทั่วประพฤติทําใจให้บริสุทธิท์ในเศีลที่เรามีแล้วบริสุทธิ์สะอาดตีแล้วหมดปัญหา ไปทำใจให้มันมีความมั่นคงต่อการกําหนดรู้อารมณ์จิตในปัจจุบันให้มากๆยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดเป็นอารมณ์ปัจจุบันเมื่อเรามีสติโลภร้อนอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี่สติมีสิ่งจิตมีสิ่งโูภสติมีสิ่งละลึกกําหนดกับโลภกันอยู่ตลอดเวลาย่อมได้พลังงานทางสติ เมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะกลายเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกำหนดหมายรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดว่าไม่เที่ยงเป็นภพเป็นอนัตตาเพราะเรามีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่ทีนี้ถ้าว่าสิ่งใดมันมาขัดใจเกิดความยินดีเกิดความยินได้แล้วก็เกิดความดีใจเสียใจ ความดีใจเสียใจนั่นคือการแสดงออกซึ่งความทุกข์ใจทุกข์ใจเปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถกําหนดโล่ตัวทุกนั้นว่านี่คือทุกอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้ า, ารตรัสรู้ทีนี้เมื่อเราฝ่อขัดมีสติสัมปชัญญะทุกเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นทุกอา่าทุกดับไปทุกเกิดอ สุกดับไปทุกเกิดขึ้นหรือทุกสุกทุกเกิดสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติปัญญาจะกําหนดรู้ว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแล้วก็จะเกิดความรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันจิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ยังจินจิสมุริยะธรร ม, มังนั่นเปดสุดยอดของการรู้ธรรมเห็นธรรมอันละเอียดในจิตนี่แต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละทีนี้ในขณะใดจิตมีความสัมพันธ์กับกายอยู่เขาก็จะมองเห็นสุขเกิดสุขกเวทนาทุกข์เวทนาที่เกิดกับกายส่วนใดที่จิตไปกาหนดตัวแต่อารมณ์จิตจากเดียวไม่เกี่ยวพันกับร่างกาย ก็เป็นการกําหนดโลจิตรเรียกว่าจิตตานุปัสสนาแต่จิตไปกําหนดโลธรรมที่เป็นนิวรณ์หรือกุศลอกุศลหรือกําหนดโลปีจิสุขเอกัคขตาส่งเกิดขึ้นภายในจิตก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติจจตปัฏฐานดังนั้นผู้ที่มาบริกรรมภาวนาโพโตผูโตผู้โตหรือทำสติตามรูลอารมณ์จิตของตนก็ดี <c oughs> หลือบริกรรมภาวนาอย่างอื่นพิจารณาอย่างอื่นก็ดีในเมื่อพิจารณาหนักหนักเข้าก็ได้กล่าวแล้วว่าธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งูลสติมีสิ่งละลึกมันจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีในเมื่อเพิ่มพลังงานหนักขึ้นหนักขึ้นสติสัมปชัญญะก็ดีจิตก็มีความมั่นคงบรรเทาเสียงทุอย่างพร้อม จิตมันก็จะมีอาการสงบผู้ปลงไปนิ่งสว่างมีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสบายจากคุ้งอุดปาฏิจิตสงบนิ่งสว่างสวยัยจากตุบังเกิดขึ้นแล้วขณะนี้จิตอยู่ในทานที่หนึ่งยังมีวิตกวิจาร เจตไว้เกิดความรู้ความคิดอ่านขึ้นมามีสติกําหนด์โลยานังอุตปาธิความคิดความอ่านความรู้ธรรมะที่ผุดขึ้นเรียกว่าอุทานธรรมเป็นปัญญาอุทปาธิที่นี้สติสัมปชัญญะที่รู้ต้อมอยู่โดยอัตโนมัติอะไรเกิดขึ้นดับไปก็รู้หมดความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิชาอุตปาธิ ในเมื่อวิชาอุตาปาที่บังเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยข้องใจจิตตัดกระแสะแห่งวิตกวิจารวิ่งเข้าไปสู่เอกัคตาจิตสะกบละเอียดกายหายไปหมดยังเหลือใจจิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ในช่วงนี้จิตมีแต่รู้ตื่นเบิกบาน ความรู้นี่ได้ตัดขาดไปหมดแล้วจิตยิ่งเข้าไปสู่สมาธิขั้นละเอียดถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปนาจิตว่าโดยสมาธิเรียกว่าอปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปนาฌานหรือที่เขาเรียกว่าฌานที่สี่เพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาอะไรก็ดีในเมื่อจจิตมันตัดข้อสงสัยข้อข้องใจ โดยวางวิตกวิการปีติสุขแล้ววิ่งเข้าไปสู่เอกขคตตะมันก็จะมีสภาวะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อีกอันหนึ่งท่านทั้งหลายผู้ภาวดาเนี่ยสิ่งที่ควรจะระมัดระวังเอาสำหรับเรื่องความเป็นไปของสมาธิตามขั้นตอนนั้นๆท่านทั้งหลายฟังมามากแล้วจะไม่กล่าวถึงจะขอเตือนสิ่งที่อาจจะทําให้เราเข้าใจผิด ความเข้าใจเพีดอ น, นั้นบางทีก็เป็นเพิดเป็นภัยหรือเป็นภัยอย่างร้ายแรงเช่นอย่างในขณะที่เราภาวนาแล้วจิตของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิมีปีสีมีความสุขสบายแต่มาภายหลังนี่จิตมันไม่ค่อยสงบแต่แล้ว จะกำหนดหรือไม่กำหนดมันก็มีสมาธิอ่อนอ อ, อยู่แต่มันก็มีความรู้ความคิดผุดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดมันมีสติอยู่รู้อยู่ยเห็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้จิตสงบดีจนกระทั่งตัวหายแต่เวลานี้ไม่ค่อยสงบ แต่ความเคิดมันเกิดขึ้นอยู่เลยเชิีดแล้วก็ทำให้สมองปลอดโปรง่งมีสติสัมปชัญญะยิ่งเคดจิตยิ่งสบายยิ่งเคดจิตยิ่งผ่องใสยิ่งเคิดจึงมีปีติและความสุขบางทีอาจจะไปถามใครสักคนหนึ่งทำไมเนาะเมื่อก่อนนี่สมาธิจิตสงบสว่างสวัยดีแต่เวลานี้มันสงบนิดหน่อยมีแต่ความคิดพุ้งๆๆๆึ้นมา ไปถามคนไม่รู้เรื่องประเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคประสาท ต, ตายอย่าลบว่าสมาธิอบรมปัญญาในเมื่อมีสมาธิแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วสมาธิกับตัวสติดันแหละมันบันดาลให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือความคิดความคิดที่มีสติรู้ทันอยู่ทุกขณะจิตเรียกว่าปัญญาในสมาธิ อันนี้ขอทําความเข้าใจไว้ก่อนถ้าใครไปจางนี้แล้วอย่าไปสงสัยเพราะฉะนั้นในช่วงแห่งการปฏิบัติเราจึงถือกติถือแคทอย่างนี้ขณะที่บริกรรมภาวนาพโพโตโพโตโพโตโพโตโพโตอยู่ถ้าใจเที่ยงโพโตพาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปเถอะแต่ให้มีสติตามรู้ไปและในช่วงใดที่จิตมันคิดขึ้นมาเองคิดอย่างรังไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุงงซ่าน ความสงบของจิตมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งความคิดเนี่ยมันพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอยู่เสมอแต่ว่าจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอย่างดียก็ทำให้มีปีติมีความสุขเพราะความคิดนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็ควรปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปห้ามจะให้แต่มันหยุดนิ่งอย่างเดียวอันนี้พึงสังเกตไ้อย่างนี้ รายละเอียประการหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ภาวนาแล้วจิสตสงบสว่างกระแสจิตทรงออกไปข้างนอกบางทีก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆภาพนิมิตเป็นคนเป็นสัตว์เทวดาอินพรหมยมยกักษบางทีก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอืมดีใจพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วอืมพระองค์จะมาโปรดเราแล้วพระองค์จะมาโปรดแล้วแล้ ว, จ, ล ว, ลวจิตสำเนิกมันรายงานออกมาอย่างนั้น บางเทก็เผลอแต่น้อมเจ็บน้อมใจเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาบางเทอาจจะได้กว่าอืมให้พระพุทธเจ้ามาเหยียบบนบ่าเบื้องขวาพอได้จากนั้นจะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก้าวเข้ามาเหยียบบาเบื้องขวาแล้วผู้อาราธนาพระพุทธเจ้ามานั้นบาขวาจะเอียงเทเล่ลงไปหนักพระพุทธเจ้าจะได้อ้าอาอราธนาพระพุทธเจ้าเหยียบบาบื้อนซ้าย ประเดี๋ยก็หลังขดลงไปหนักพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วทีนี้สภาพจิตที่สงบมีปีติมีความสุขสบายปลอดโปร่งจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นอย่างไรเปลี่ยนเป็นเหมือนหนึ่งว่าหัวใจถูกบีเอึดอัดนั่นไปหมดสมาธิที่ปลอดโปร่งเป็นอิสระแก่ตัวเอง ตกอย่ในอำนาจของสิ่งที่เขามาแทรกสิ่งนั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าปลอบเราเข้าใจผิดจึงไปนป้นอมอาภาพในเม็รเข้ามาในตัวกลายเป็นการส่งวิญญาณโดยลักษณะอย่างนี้ชาวพุทธเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ น, นักภาวนาทั้งหลายเนี่ยขอให้ขอให้ระมัดระวังที่ตรงนี้ เราภาวนาเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิเป็นอิสระแก่ตัวอย่างสมมติว่าเราภาวนายุหนอพองหนอยุตนอพองหนอพอจิตสงบปุ๊บนิ่งสว่างรู้เตินเบกิกบาน บางทีจิตไปนิง่งรู้เติมเบิกบานอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกเม่คิดอะไรอื่นมีแต่ความสว่างมีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในช่วงนี้จิตเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นก่อาตาัตตะสารามีตนเป็นที่ระลึกอัตตาหิอัจโนานาถูตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าใครภาวนารมจิตให้ถึงจุดนี้จะรู้สึกว่า มีความสบายเบารูเ้เตือนเบิกบานปลอดโปง่งถ้าหากว่ากายยังมีอยู่ก็จะมีตีตีและความสุขปรากฏขึ้นถ้ากายหายไปจะยังเหลืออยู่แต่ความเป็นกลางของจิตจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มีแต่ความเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุเบกขากับเอกคตาจุดนี้จิตเป็นตัวของตัวโดยเด็ดขาดไม่มีอำนาจสิ่งใดจะมาแทรกสิง แต่ในท่วงที่จิตยังไม่เข้าถึงจุดนี้พอจิตสว่างแล้วกายยังปลากฏดอยู่เราไปหลงน้อมเอาสิ่งอื่นเข้ามาในจิตในใจของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราจะกลายเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีเพราะฉะนั้นอันนี้ควรระมัดระวังให้จงหนักอาะวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> ขอสรุปปรงการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ทําตนให้เป็นผู้มีศีลศีลห้าเป็นเพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีเป็นอุบายตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมเป็นอุบายบัณฑ์อนกําลังของกิเลสเป็นอุบายป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเป็นคุณฑนธรรมปรับเพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เป็นคุนธรรมเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้ถูอให้หน่าโดยให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมสำหรับการทำสมาธิหลักโดยทั่วไปก็คือทำจิตให้มีสิ่งโูธรรมสติให้มีสิ่งระลึกจิตู้อะไรก็ให้มีสติบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติ แต่พิจารณาก็ให้มีสติจิตเกิดปัญญาขึ้นมาอย่าก็ให้มีสติทีนี้ในขณะใดาจิตต้องการจะสงบนิ่งว่างก็ปล่อยให้ว่างขณะใดาจิตต้องการคิดปล่อยให้คิดแต่ให้มีสติตามรู้ไปสรุปลงแล้วแผนข้องการปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาให้อเธอาการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดเป็นอารมณ์จิต ให้มีสติโล้พร้อมอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่าไปถือว่าทำสมาธิคือนั่งขัดสมาธิหลับตาเพียงอย่างเดียวสมาธิเราต้องทำอยู่ทุกขณะจิต ท, ทุกลมหายใจจะไปเอาเฉพาะเวลานั่งหลับตามันไม่เพียงพอเวลามันน้อยดังนั้นถ้าเราฝึกสติให้มันรู้พร้อมอยู่ที่การยดนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิด เราจะได้สมาที่ได้พลังสติสนับสนุนจิตารอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะนำธรรมะไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้ตลอดการในท้ายที่สุดนี้รวํานาจแห่งคุณพระศรและจนตรัยจงดนบดาลให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจมีแนวโน้มเข้าไปสู่สภาวะรู้ตื่นเบิกบานอันเป็นคุณธรรมที่ทาคนให้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ปราถนมามักผลนิพานก็ให้สำเร็จตามปณิธานความปราจนะโดยทั่วกันทุกท่านเทินโดยบรรยายมาก็สมกวนแก่เวลาเอวังก็มีร้วยประกาศละนี่เสร็จแล้วก็จะได้ถือโอกาสเจริญพรละตั้งใจรับพรโดยความเป็นภาษาบาลีอีกทีหนึ่ง <c oughs> ยะถาวาริวาาปูลาปาริปเลนติสะกะลังเอวามีวิโตตินังเปตาณังอุปกปติอิตตังปติตังตุมหังจิปเมีวาสมิตตโตชาเพปุเรนโตสังกปานยันโทปนารโสยะถามณ i โตติลาโสยะถาสัพติโยวิปัจจนโตสัพพโลโเวนัสตุ มาเถพระวัฒนตรายยสุขีที่ขายูกุภาวะภิวาทนสีริชนิกังวุฒาปจายิโนจตารุธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง